หลวงพ่อหันหน้าไปทางป้าเสาแต่ในตาว่างเปล่านั่งนิ่งไม่ขยับเขยื้อนใดๆป้าเสาวเห็นหลวงพ่อก็แปลกใจไม่คิดว่าท่านจะมาแต่เช้ามืดอย่างนี้ป้าเสาวจึงเดินเข้าไปถามเพื่อนที่กําลังเตรียมอาหารอยู่ว่าหลวงพ่อมาแล้วเหรอเห็นนั่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อนก็ทําหน้าแปลกใจแล้วตอบกับป้าสาวไปว่า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 ส, สัมัสสย่ง